วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21เมษายนพุทธศักราช2567 เ, เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษา เรียนรู้พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจา้าที่เป็นคำสอนที่ตรงกับความเป็นจริงทุกประการวันนี้เราจะมาฟังเรื่องเหตุที่ทำให้คนเราเกิดมามีความแตกต่างกันบางคนเกิดมาแล้วก็รวย บางคนก็จนบางคนก็ฐานะปานกลางไม่รวยไม่จนบางคนก็เกิดมาแล้วก็กมีตำแหน่งมียศที่สูงบางคนก็ไม่มียศหรือยศต่ำบางคนก็มียศป า, านกลาง บางคนเกิดมาแล้วก็เป็นคนดีบางคนก็มาเป็นคนชั่วบางคนก็เป็นคนกลางๆงไม่ดีไม่ชั่วบางคนก็เป็นคนฉลาดบางคนก็เป็นคนโง่บางคนก็เป็นคนกลางๆงไม่ฉลาดไม่โง่ เหตุที่ทำให้คนเรามาเกิดมีความแตกต่างกันในลักษณะต่างกันนี้ก็เกิดจากบา ร, รมีบุญบา ร, รมีที่แต่ละคนได้สร้างกันมาในอดีตชาติที่มีไม่เท่าเทียมกันยึงทำให้การมาเกิดของแต่ละคนจึงมีความแตกต่างกันไป ถึงแม้จะมาเกิดในครอบครัวเดียวกันก็ตามมีพ่อแม่คนเดียวกันแต่ฐานะความเป็นอยู่ความเป็นไปของแต่ละคนนี้ก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าบุญบา ร, รมีนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่ถ้าบุญบา ร, รมีมาจากพ่อแม่ลูกๆทุกคนที่เกิดมา ต้องมีฐานะเท่าเทียมกันมีความรู้ความฉลาดเท่าเทียมกันมียศมีตำแหน่งเท่าเทียมกันแต่บุญบา ร, รมีนี้ไม่ได้มากับมาจากพ่อจากแม่แต่มาจากอดีตชาติของแต่ละคนในอดีตชาติและคนเหล่านี้ได้สะสมบุญบา ร, รมี มามากน้อยไม่เท่าเทียมกันผลที่มาปรากฏจึงไม่เท่าเทียมกันถ้าอยากจะให้ชีวิตของเราในอนาคตที่จะตามมาดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้เช่นอยากจะให้มีความร่ำรวยมากขึ้นอยากจะให้มีฐานะที่สูงขึ้น มียศฐานดาวักที่สูงขึ้นมีความสุขที่มากขึ้นมีความรู้ความฉลาดที่มากขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นมากขึ้นก็ต้องมาสร้างบุญบา ร, รมีเท่านั้นไม่มีใครทำให้เราดีให้เราชั่วได้ ไม่มีใครทำให้เราสูงเราต่ำได้เรานี่แหละเป็นผู้ที่จะทาให้เราดีทำให้เราชั่วทำให้เราสูงทำให้เราต m, <ม>่าทำให้เราฉลาดหรือทำให้เราโง่ทำให้เรามีความสุขหรือมีความทุกข์เก<ม>ิดจากการสะสมบุญนลมีของเราทั้งนั้น<ม>ถ้าเราอยากจะให้ ชีวิตของเราในภายภาคหน้าในอนาคตดีกว่าที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เราก็ต้องมาสร้างบุญบารมีกันเราต้องเชื่อพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสวาขาโตพปะกวตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้ว คือถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคำสอนนี้เป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีความาหลอกลวงซ่อนอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเป็นคำสอนที่ออกมาจากพระปัญญาที่คุณความรู้ความฉลาดอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า ออกมาจากความบริสุทธิ์ที่คุณเอามาจากจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้หวังผลประโยชน์จากการเอาความจริงมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกหวังแต่ประโยชน์ที่สัตว์โลกพึงจะได้รับจากการได้ยินได้ฟังไน้นำมาไปปฏิบัติเท่านั้นตัวพระองค์เองนี้ไม่มีความปรารถนาที่จะได้รับผลตอบแทน จากการเผยแผ่พระธรรมคำสอนเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะพระทยของพระองค์นี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาโกหกหลอกืวงโลกเพื่อให้ตนเองมีความสุขมากขึ้นแต่อย่างใดคำสอนของพระเจ้านี้ออกมาจากพระบริสุทธิ์ที่คุณจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ปาศจากอกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาแล้วก็คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ออกมาจากพระกรุณาคุณความสงสารในความทุกข์ยากเดือดร้อนของสัตว์โลกที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทรงอย่างจะให้สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวง ได้มีโอกาสหลุดพน้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ถ้าสามารถเรียนรู้พระธรรมคําสอนและนำเอาอไปปฏิบัติได้ก็จะสามารถที่จะบรรลุหลุดพน้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้ายังไปไม่ถึงตลอดลอดฝั่งอย่างน้อยก็ สามารถที่จะทำให้พบชาติต่างๆที่จะตามมาต่อไปนี้เป็นพบชาติที่ดีขึ้นไปตามลำดับมีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับมีความทุกข์น้อยลงไปตามลำดับมีฐานะที่สูงขึ้นไปตามลำดับมีความรู้ความฉลาด <c oughs> ที่มากขึ้นไปตามลำดับมีความดีที่มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับ ถ้าสามารถน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติได้ด้วยการสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆที่จะเอามาฝากท่านในวันนี้บุญบา ร, รมีนี้มีอยู่สิบข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งเรียกว่าเมตตาบา ร, รมีความปรารถนาดี ความมีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าเมตตาบารมีข้อสองเรียกว่าทานบารมีการเสียสละแบ่งปันประโยชน์สุขของตนให้แก่ผู้เรียกว่าทานบารมีสามศ <c oughs> ีลบารมีคือการไม่กระทำบาปทั้ง ไม่ฆ่าสั์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่ดืม่มสุราของมึนเมาทั้งหลายทั้งปวงรียกว่าศีลบารมีนี่ขัมมะบารมีบารมีข้อที่สี่นี่ขัมมะบารมีก็คือการละการแสวงหาความสุข จากกามกคุณทั้งห้าคือรูปเสียงปิดลดผลเถระคือไปเป็นนักบวชเรี<ม>ยกว่าในขมมะบาลมีหาแทนที่จะหาความสุขจากรูปเสียงปิดลดผลเพระที่เป็นความสุขที่ต่ำสา ม, มให้ไปหาความสุขที่สูงที่ประเสริฐคือความสุขที่เกิดจากการทําจิตใจให้สงบ ผู้ที่ต้องการที่จะไปสร้างความสงบให้กับจิตใจจาเป็นที่จะต้องสร้างเนคข ม, มะบารมีมคอือสือสียงของนักบวชเช่นไม่กินข้าวเย็ยนไม่ร่วงหลับนอนกับคู่คร อ, องของตนเป็นต้น<ม>เพื่อที่จะได้ไปสร้างบารมีข้อที่หกที่เรียกว่าอุเบกขะ ข้อที่ห้าที่เรียกว่าอุเบกขาบารมีอุเบกขาบาลมีก็คือความสงบตั้งมั่นปล่อยวางปราศจากความโลภโกรธหลงความทุกข์ความรักชังกลัวหลงแล้วก็ไปสร้างบารมีข้อที่หกคือปัญญาบารมีคือความรู้ความฉลาด ที่จะทำให้เห็นถึงเหตุทีพ่พาให้สัตว์โลกต้องมาเวียนว่ายตายเกิดและเหตุที่จะนำไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เรียกว่าปัญญาบารมีบารมีทั้งหชนิดนี้จะสร้างได้สำเร็จนี้ต้องอาศัยอธิษฐานบาลามีอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจ ที่จะสร้างบารมีต่างๆในแต่ละภพแต่ละชาติเรียกว่ามีความตั้งใจเกิดมาที่ไรก็จะตั้งใจมาสร้างบารมีเ่นี้จะมาสร้างเม่ตามบารมีสร้างทานบารมีสร้างศีลบารมีเียกว่าต้องมีความตั้งใจมีจุดประสงค์ของชีวิตอย่างมนุษย์เราบางคนไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมทำไมเราเกิดมาเพื่อทำอะไรกัน ถ้าได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะรู้ว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบา ร, รมีกันนี่เพราะบุญบา ร, รมีนี้เป็นเหตุที่จะนำพามาซึ่งความสุขความเจริญตั้งปวงให้กับเราดังนั้นเราต้องมีอธิษฐานบา ร, รมีือ ม, มีความตั้งใจที่จะมาสร้างบา ร, รมีต่างๆ และการที่จะมีธิษฐฐานบารมีทำตามที่ได้ตั้งใจไว้ได้ก็ต้องมีสัจจะบารมีสัจจะบารมีก็คือความจริงใจความแน่วแน่ต่อความตั้งใจตั้งใจจะทำอะไรแล้วจะต้องทำให้ได้ยกเว้นว่าเป็นเหตุสุดวิสัยไม่สามารถจะทำได้เท่านั้นถึงจะไม่ได้ทำ แต่ถ้าตั้งใจจะทำทานแล้วก็ต้องทำให้ได้ตั้งใจจะรักษาศีแล้วก็ต้องรักษาให้ได้ <S <S ไม่โกหกหลอกลวงตัวเองตั้งใจไว้ตั้งไว้โกโ้กแต่พอถึงเวลาก็ล้มเหลว <S <S อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะบารมี <S <S แล้วก็ต้องมีตามด้วยวิริยะบารมีความภาคเพียรจะทำตามที่เราตั้งใจไว้ ถ้าตั้งใจไว้แล้วแต่ไม่มีความภาคเพียรก็ทำไม่ได้ถ้ามีความเกียจคร้านพอถึงเวลาจะทำก็อ้างนูน่นอ้างนี่ไปร้อนเกินไปหนาวเกินไปหิวเกินไปเ<ม>หนื่อยเกินไป<ม>สารพัดข้ออ้าง<ม>ที่จะมาอ้างเพื่อไม่ให้ไปทำตามความตั้งใจเอาไว้<ม>แต่ถ้ามีความเพียรมีความพยายามแล้ว<ม> จะทำอย่างแน่นอนถึงเวลาก็ทำถึงเวลาต้องทําทานก็ทําทานถึงเวลาต้องรักษาศีลก็รักษาศีงถึงเวลาไปบวชก็ต้องไปบวชอันนี้คือ <c oughs> <c oughs> วิริยะบารมีความขยันภาคเพียรถ้าไม่มีความขยันภาคเพียรแล้วการงานต่างๆนี้จะสําเร็จไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับความขยัน ภาคเปลี่ยนแล้วก็มีข้อสุดท้ายที่ต้องมีด้วยคือขันติบารมีความอดทนเพราะว่าการสร้างทานสร้างบารมีแต่ละอย่างนี้เป็นสิ่งที่ยากไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายการสร้างบารมีนี้เป็นเหมือนการขึ้นภูเขาเดินขึ้นภูเขาการจะเดินขึ้นภูเขาได้สำเร็จนี้ ต้องมีความอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าถ้าไม่มีความอดทนติดติดอยู่กับความสุขของทางโลกทางรูปเสียงกิจลสก็จะไม่มีความสามารถที่จะมาสร้างบารมีต่างๆนี้ได้ น, นี่คือบารมีสิบประการที่จะทำให้ชีวิตของเราในภายภาคหน้าดีขึ้นไปตามลาดับ ดีตั้งแต่ดีตั้งแต่เป็นอยู่ในชาตินี้เลยไม่ได้นงรอถึงให้ตายก่อนแล้วถึงจะตามมาในภายหลังส่วนบางส่วนก็ปรากฏเป็นผลขึ้นมาได้ทันทีตั้งแต่เราเริ่มทำกันในขณะที่เราทำเลยบารมีสิบประการนี้วิธีสร้างก็มีวิธีสร้างที่ต่างกันไปวิธีสร้างเมตตาบารมีนี้ สร้างอย่างไร mm hmm. พระวจชาก็ทรงแสดงวิธีสร้างบารมีนี้ไว้สี่ลักษณะด้วยกัน mm hmm. หนึ่งก็คืออเวลาโหนตุ hmm. แต่ว่าไม่จองเวรจองกรรมกัน mm hmm. เวลาใครทำอะไรให้เราเสียหายเดือดร้อนทำให้ทให้เรากโกรธแค้นโกรธเถืองขึ้นมา mm hmm. เราต้องไม่จองเวรจองกรรมกัน ต้องให้อภัยกันถ้าเราอยากจ ะ, จะเจริญเมตตาบามีถ้าเราอยากจะมีความสุขเพราะว่าผลของการจเจริญเมตตาบารมีนี้จะทําให้เรามีความสุขกันนั่นเองถ้าเราอยากจะได้ความสุขเราต้องกล้าที่จะให้อภัยกล้าที่จะไม่จองเวรจองกรรมกัน <c oughs> เวลาทําอะไรแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมา จะด้วยเจตนาหรือไม่ด้วยเจตนาก็ตา ม, มเราจะไม่โกรธแค้นโกรธเคืองใครเราจะให้อภัย<ม>เพราะเราอยากจะมีความสุขเราอยากจะสร้างเมตตาบามีมมเพราะเวลามีความโกรธแค้นโกรธเคืองใครนี้<ม>ใจจะทุกข์จะร้อน<ม>จะไม่มีความสุข<ม>จะกินไม่ได้นอนไม่หลับ แต่ถ้าพอให้อาภัยได้แล้วยกเลิกการจองเวรจองกรรมได้แล้วความทุกข์ร้อนภายในใจก็จะหายไปความเย็นความสุขใจก็จะปรากฏขึ้นมาแทนที่นี่คือการแผ่เมตตาหรือการเจริญเมตตาบารมีต้องแผ่หรือเจริญในขณะที่มีเหตุการณ์ปรากฏขึ้นมา ไม่ใช่มานั่งสวดมนต์ลแล้วก็นั่งแผ่เมตตากันตอนนั้นไม่ได้แผ่เมตตาเวลาที่เราสวดสวดบทแผ่เมตตาเช่นสับเบสัตตาอเวลาโหตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงไม่มีเวรกันเถิดเนี่ยอันนี้เป็นเพียงการเรียนรู้วิธีแผ่เมตตาท่านนั้นเองว่าเราต้องไม่มีเวรมีกรรมกับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ในขณะที่เราส่วนนั้นเราไม่ได้แผ่เมตตาให้กับใครเลยเป็นการเรียนรู้หรือเป็นการทบทวนทบทวนวิธีของการแผ่เมตตาว่าจะต้องแผ่อย่างไรเพื่อที่เวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์ที่จะต้องแผ่เมตตาเราจะได้แผ่ได้เช่นเวลาเราไปมีปัญหากับใครเนี่ยอันนั้นหละเป็นเวลาที่เราจะต้องแผ่เมตตากัน มีปัญหากับใครก็เอาเวลาโหนตุไปไม่จองเวรจองกรรมกันให้อภัยกันคิดเสียว่าเป็นเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นการใช้หนี้เก่าไปก็ได้เราอาจจะเคยไปทำให้เขาเสียหายมาในอดี <c oughs> ตป่นนี้เขาเลยมาทำให้เราเสียหายบ้าง <c oughs> ก็เรียว่าชดใช้เวรชดใช้กรรมกันไปพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เวรไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่เวรจะระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรเท่านั้นพอเราไม่จองเวรจองกรรมเวรกรรมก็จะหมดไปมีคือลักษณะของการเจริญเมตตาสร้างเมตตาบาลีคือต้องให้อภัยกันให้กับให้อภัยกับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามหรือแม้แต่เป็นกายทิพย์ก็ตามถ้ามีปัญหากันก็ต้องให้อภัยกันไม่จองเวรจองกรรมกันแล้วใจจะสงบใจจะมีความสุขอันนี้คือลักษณะของการสร้างเมตตาละมีบารมีข้อที่หนึ่งคือไม่จองเวรจองกรรมกันข้อที่สองอับบายาป ช, ชาหุนตุ ไม่เบียดเบียนกันคาว่าเบียดเบียนก็คือไม่ไปทําให้ผู้อื่นเขาทุกข์เดือดร้อนเสียหายหเดือดร้อนจากการกระทําของเราเาช่นเราจะไม่ทําอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้นเพราะการเลี้ยงชีพด้วยการเบียดเบียนผู้นี้ไม่ถือว่าเป็นการมีความเมตตาถ้าอยากจะมีความเมตตาต้องไม่ทําอาชีพที่เบียดเบียนผู้ ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหายหเดือดร้อนจากการทำมาหากินของเรานม่ ว, ว่าอัปยาปชาโหตุอย่าไปทำให้ผู้อื่นเข้าเสียหายหเดือดร้อนจากการกระทาต่างๆของเราไม่ว่าเราจะกระทำอะไรทางกายทางวาจาขอให้เราระมัดระวังคิดให้รอบคอบก่อนว่าการกระทาของเราทาไปแล้วจะทำให้ผู้อื่นเข้าเสียหายหเดือดร้อนหรือไม่ ถ้าเขาเสียหายเดือดร้อนก็ไม่ควรกระทาควรระงับการกระทานั้นถ้าเราอยากจะมีความเมตตาแล้วเราจะมีความสุขจากการที่เราไม่ไปเบียดเบียนผู้เวลาเราไปเบียดเบียนผู้เราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจจะมีความทุกข์ใจกังวลใจมีคือลักษณะข้อที่สามคือทำอะไรอย่าไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อน ข้อที่สามก็คืออานิคาโหตุอย่าไปทําร้ายร่างกายและจิตใจของผู้บางทีเวลาเราเกิดความโกรธหรือเวลาที่เราเกิดความโลภขึ้นมาลูกแก่โทสะนึกูกแกโ่กแกโมหะบางทีเราก็อาจจะไปทําร้ายผู้อื่นได้ไปคิดไปฆ่าเขาทุบตีเขา เรือไปสร้างความทุกข์ใจให้กับเขาอันนี้เราต้องระ ง, งับอย่าไปกระทำะเพราะนี้ไม่ได้เป็นการสร้างความสุขให้กับใจเพราะเมื่อไปทำร้ายผู้อื่นแล้วใจจะทุกข์ร้อนขึ้นมาทันทีข้อที่สี่ก็คือสุขีอัตานาบาลิหารันตุคือให้ความสุขแก่ผู้อื่นนั่นเอง วิธีให้ความสุขก็แบ่งปันความสุขที่เรามีอยู่ให้กับผู้เ <Willie> ช่นอะไรที่เป็นความสุขกับเราเช่นมีเงินทองเหลือใช้เราก็แบ่งเงินทองที่เหลือใช้ น, นี้ไปให้กับผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเรียก <Kollege> ว่าเป็นการแบ่งปันความสุขให้กับผู้ทาอะไรก็ราทาให้ผู้อื่นมีความสุขถ้าเราไม่มีเงินมีทองเราก็ยังสามารถทำให้ผู้มีความสุขได้ เช่นด้วยการทลดเวลาไปทำประโยชน์ให้กับผู้ น, นับใช้สังคมเช่นเป็นจิตอาสาเป็นต้นไปทำอะไรเพื่อให้เกิดความสุขแก่ผู้อื่นโดยที่เราไม่ได้รับผลตอบแทนแต่อย่างใดอันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างเมตตาบารมีสี่ข้อด้วยกันเอาเวลาหนตุไม่จองเวรจองกรรม อัปยาปชาโหนตุไม่เบียดเบียนกันอานิฆาหหนตุไม่ทําร้ายร่างกายและจิตใจกันสุขีอัตานำปาลิหารันตุให้ความสุขต่อกันถ้าสามารถสร้างบา ร, รมีเหล่านี้ได้ชีวิตของเรานี้จะมีความสุขตั้งแต่บัดนี้ไปเลยถ้าเราสามารถสร้างบา ร, รมีและเมตตาบา ร, รมีได้เพราะ ประโยชน์หรืออนิสงค์ของการสร้างบา ร, รมีนี้มีอยู่สิบข้อด้วยกันแต่อาจจะไม่ได้นํามาครบทั้งสิบข้อข้อที่หนึ่งพระพุทเจ้าจบอกว่าผู้ที่มีเมตตาบา ร, รมีนี้ตื่นก็เป็นสุขจะอยู่เป็นสุขจะอยู่เป็นสุขจะไม่อยู่อย่างมีความทุกข์ใจอยู่อย่างมีความสุขใจตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุข นอนหลับก็ไม่ฝันร้ายแล้วก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคนที่มีความเมตตาไปที่ไหนก็มีคนรักคนชอบไม่มีใครรังเกียจยินดีต้อนรับผู้ที่มีความเมตตาแล้วก็จะเป็นเทวดาจะคุ้มครองรักษาเทวดานี้ชอบรักษาคนดี ชอบดูแลคนดีเพราะคนดีนี้ไม่เป็นโทษกับใครทาแต่คุณทำแต่ประโยชน์ให้กับโลก<ม>เทวดาจึงนิยมที่จะไปคุ้มครองรักษาคนที่มีความเมตตา<ม><ม>เทวดาจะคุ้มครองรักษาแล้วจะไม่ตายจากอาวุธหรืออาภิตต่างๆยาพิตต่างๆเพราะคนที่มีความเมตตาจะไม่มีศัตรูกับใคร เมื่อไม่มีศัตรูก็ไม่มีใครคิดจะปองร้ายด้วยอาวุธด้วยยากพิษนั่นเองจะจะไม่ตายด้วยอาวุธด้วยยากพิษจะตายด้วยความเป็นไปตามธรรมชาติตายแบบธรรมชาติไม่ไม่ได้ตายเพราะพูดมาทําร้าย<ม>อํานาจของเมตตาบา ร, รมีจะป้องกันไม่ให้ตายแบบนั้น <c oughs> จะมีเทวดาคอยคุ้มครองรักษา<ม>แล้วก็ ถ้าไปถ้าจะทำใจให้สงบถ้าจะนั่งสมาธิจิตใจก็จะสงบง่ายเพราะไม่มีเรื่องวุ่นวายใจมาคอยรบกวนใจของคนที่มีความเมตตาเนี่ยจะจะทำจิตใจให้สงบก็จะสงบได้ง่ายแล้วเวลาเวลาตายไปเวลาจะตายก็ไม่หลงจะไม่หลง แต่ไม่เพอเจ้อแต่จะจ ะ, จะตายอย่างมีสติตายอย่างมีความสงบแล้วถ้าตายไปแล้วก็จะไปสู่สุขคติอย่างแน่นอนไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆนี่แหละคืออรนนิสงหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการสร้างเมตตาบารมี น, นี่คือข้อที่หนึ่งคนเราจะมีสุขมาก สุกน้อยเหมือนก็ ข, นขึ้นอยู่ที่มีความเมตตามากน้อยนั่นเองมีความเมตตามากก็จะมีความสุขมากเพราะผู้ที่มีความเมตตามักจะให้ความสุขให้แก่ผู้เมื่อทําความสุขให้กับผู้ความสุขเหล่านั้นก็จะกลับมาผู้กระทำนั่นเองเป็นกฎแห่งกรรมให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็จะกลับมาหาตน ให้สุขแก่ท่านสุขนั้นก็จะกลับมาหาตนถ้าให้ความสุขเราก็จะได้รับความสุขกลับมาอันนี่คือเรื่องของการสร้างเมตตาบารมีเพื่อให้จิตใจของเรานี้มีความสุขสุขทั้งชีวิตสุขไปตลอดจนมันตายถ้าเราสามารถสร้างเมตตาได้ตลอดเวลาเวลาที่มีเหตุการณ์ที่จะต้องเจริญเมตตาแผ่เมตตา ก็ต้องแผ่เมตตาให้ได้แล้วรับรองได้ว่าความสุขประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับจากการแผ่เมตตานี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วนี่คือบา ร, รมีข้อที่หนึ่งที่เราควรที่จะเจริญกันให้มากๆเท่าที่เราจะทำได้ถ้าเราอยากจะได้บา ร, รมีอยากจะได้พพชาติที่ดีกว่านี้ ไปในอานาคตถ้าเรายังไปไม่ถึงนิพพานถ้าเรายังต้องกลับมาเกิดอีกเราก็จะกลับมาเกิดแบบเป็นผู้ที่มีความสุขจากเมตตาบา ร, รมีแลาจะมาเจริญเมตตาบา ร, รมีต่อไปบาลมีข้อที่สองก็คือทานบา ร, รมีทานก็คือแปลว่าการให้ให้อะไรก็ให้สิ่งที่เราเหลือกินเหลือใช้นั่นเองธรรมดาเรา ต้องทำมาหากินหาเงินหาทองหาปัจจัยสี่เพื่อมาเลี้ยงดูชีวิตของเราแต่บางครั้งเราก็สามารถหามาได้มากกว่าที่เราต้องใช้ต้องมีเราก็เอาส่วนที่เกินนี้ส่วนที่เราไม่ได้เก็บไว้ใช้สำหรับตัวเราเองส่วนที่เราถ้าเก็บไว้เฉยๆก็ไม่จกดประโยชน์กับเราเพราะว่าเวลาที่เราตายไป เราก็จะไม่สามารถเอาทรัพย์สมบัติส่วนเกินนี้ไปได้แต่เราสามารถเอาทรัพย์สมบัติส่วนเกินนี้ไปได้ในในรูปแบบของทานบา ร, รมีถ้าเราเอาทรัพย์สมบัติเข้าสองเงินทองส่วนเกินนี้มาทำทานมาแจกจ่ายมาบริจาคมาให้กับผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือให้กับผู้ที่ทําคุณทำคาประโยชน์แก่โลกแก่สังคม เช่นให้กับวัดวาอารามให้กับโรงพยาบาล<ม>ให้กับสถานการศึกษาต่างๆอันนี้เรียกว่าเป็นการให้คุณประโยชน์ให้ความสุข<ม>เป็นการทำทานด้วยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วเงินทองเหล่านี้มันจะไปรอเราอยู่ข้างหน้าต่อไปเวลาที่เรากลับมาเกิดใหม่ถ้าเรายังไปไม่ถึงนิพพานถ้าเรายังต้องกลับมาเกิดใหม่พบหน้าชาติหน้าเราจะเกิดมาล่ารวยป่า ที่เราเป็นอยู่ในภพนิชาตินี้ยกดูตัวอย่างอย่างพระเวชสันดรคือพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นพระเวชสันดรก็ทำทานกันอย่างเต็มเต็มที่ใครอยากได้อะไรใครเดือดร้อนอะไรใครมาขออะไรถ้าให้ได้นี้จะไม่ลังเลสงสัยเลยจะยกให้เขาไปเลยด้วยอำนาจของทานบารมีของพระเวชสันดร หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วก็ไปเกิดอยู่ในสวรรค์แล้วหลังจากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้มาเกิดมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารเป็นลูกของพระมหากษัตริย์มีทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองรออยู่โดยที่ไม่ต้องไปแสวหามาแต่อย่างใดเพราะมันเป็นอนิสงค์ของทานบารมีที่ได้เคยสร้างไว้ในอดีตชาตินั่นเอง จึงทำให้ทรัพสมบัติต่างๆที่ได้แจกจ่ายไปด้วยการทาบุญทาทานนี้ไปรออยู่ภัยในภพหน้าชาติหน้านะคนที่กลับมาคนที่มาเกิดแล้วมารวยนี้นี่ก็คือเหตุผลอันหนึ่งที่ทำให้มาเกิดแล้วรวยนะไม่ได้หมายความว่าเป็นเหตุผลอันเดียวที่ทำให้คนรวยได้มีหลายเหตุผลด้วยกันแต่เหตุผลหนึ่งก็คือการได้ทำทานมาในอดีตนั่นเอง การได้สร้างทานบารมีมาในอนดีตจะทำให้มาเกิดมาล่ารวยรวยมากรวยน้อยก็อยู่ที่ทำทำทานมากทำทานน้อยทำมากก็จะรวยมากทำน้อยก็จะรวยน้อยเพราะ น, นั้นถ้าเราอยากจะเกิดมาแล้วล่ารวยทุกภพทุกชาติจนกว่าเราจะไปถึงพระนิพพานเราก็ต้องขยันทำทานกัน มีเงินมีทา ง, ทงทเหลือกินเหลือใช้อย่าไปตะหนี่อย่าไปหวงเก็บเอาไว้ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วยังกลายเป็นภาระกลายเป็นเรื่องมิตกกังวลที่จะต้องคอยดูแลรักษาสู้นํำมาไปทปําบุญดีกว่านาไปทําบุญทําทานแล้วใจจะมีความสุขจากการทําบุญทําทานแล้วใจจะมีทรัพย์สมบัติรออยู่ทั้งภไยภายภ า, ยาคหน้า ถ้าตายไปก็จะได้ไปสวรรค์อย่างแน่นอนอเหตุที่พาให้ดวงวิญญาณไปสู่สวรรค์ก็คือการทําบุญทําทานนี่เองอันนี้คือบารมีข้อที่สองคือการทําทานบารมีข้อที่สามนี้ก็คือการรักษาศีลเรียกว่าศีลบารมีศีลบารมีนี้จะทําให้คนเป็นคนดีนี่เองคนดีหรือคนชั่วอยู่ที่การมีศีลหรือไม่มีศีล มีศีลแล้วก็จะเป็นคนดีเพราะว่าคนดีจะไม่ไปทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนนั่นเองการกระทําของคนดีนี้จะไม่ไปสร้างความทุกข์ยากเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นการที่ไม่สร้างความทุกข์ยากเดือดร้อนก็เพราะว่ามีศีลห้ารักษาศีลห้าคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปด ไม่ดื่มสุรายาเมาและของมึนเมาต่างๆที่จะทำให้ขาดสตินั่นเองเพราะเมื่อขาดสติแล้วเวลาคิดจะทำไม่ดีก็จะไม่มีอะไรมายับยั้งความคิดนั้นได้ก็จะปล่อยไปออกไปทางกายทางวาจาได้แต่ถ้ามีสติไม่ดื่มสุรายาเมาไม่มึนเมาก็จะมีสติรู้ทันความคิด ถ้าคิดไม่ดีก็สามารถห้ามความคิดน้้นได้ทันที mm hmm. นี่คือเหตุที่จะทำให้คนเราดีหรือชั่วนี่อยู่ที่การมีศีลหรือไม่มีศีลนี่ mm hmm. คนที่มีศีลนี่เป็นคนดีเพราะคนดีนี้จะไม่สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้ mm hmm. แต่คนที่ไม่มีศีลนี่แหละเป็นคนที่จะมาสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อ mm ื hmm. แล้สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับตนเองด้วยว่าเมื่อทำบาปแล้วมันก็มีผลบาปตามมาทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และขณะที่ตายไปด้วยขณะที่มีชีวิตอยู่เวลาทำบาปปุ๊บนี่ใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีใจจะร้อนขึ้นมาใจจะไม่สบายความใจจะหวาดวิตกหวาดกลัวต่อโทษที่จะต้องตามมานั่นเอง แต่ลาเห็นตำรวจนี้ใจก็เครียดขึ้นมาทันทีทั้งๆ ท, ที่ตำรวจไม่ได้ตั้งใจจะมาจับแต่อย่างใดแต่เนื่องจากมันมีโทษอยู่ในใจเป็นเหมือนวัวสันหลังหวะนี่นพอมีอะไรไปกระทบแผลหน่อยทนะ่านมันก็จะปวดร้าวขึ้นมาทันทีอันนี้คือการทำบาปจะทำให้เกิดโทษกับตนเองเกิดโทษกับผู้อผู้อื่นเขาก็ได้รับความเสียหายหเดือดร้อน ผู้กระทำก็จะต้องมีความทุกข์ใจไม่สบายใจและหลังจากที่ตายไปใจก็ยังต้องไปติดทุกตารางในในอบายต่อไปด้วยในโลกในโลกทิพย์ในั้นได้ใจที่เป็นดวงวิญญาณก็จะไปติดทุกขจิตตรางจะไปเป็นเปรตบ้างเป็นป น, น, ปนสุลกายบ้างไปตกนรกบ้างด้วยอํานาจของบาปที่ได้ทําเอาไว้หรือถ้าได้มาเกิดในโลกนี้ก็ยังต้องมายังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์ในราชาสก่อนจนกว่าอำนาจของบาปที่ได้ทําไว้หมดกําลังลงเท่านั้นถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะกลับมาเกิดเป็นคนไม่ดีใหม่เป็นคนที่ไดอ้อาภัพวาสนาเกิดมาจะไม่มีรูปร่างรูปร่างหน้าตาจะไม่สวยงามอาการจะไม่ครบสามสิบสอง ผิวพรรณจะไม่ผ่องใสมีโรคภัยเปียดเบียนอายุจะสั้นนี่คืออ น, นิสงค์หรือโทษของการที่กระทำบาปไม่มีศีลบา ร, รมีนั่นเองผู้ใดที่ได้สร้างศีลบา ร, รมีได้ก็จะพ้นจากโทษเหล่านี้ยังไม่มีโทษเหล่านี้ติดตามไปกับตนในอนาคตในภพหน้าชาติหน้าจำไปเกิดเป็นคนดี เป็นคนที่มีวาสนาบารมีนั่นเองอันนี้คือสีนี่คือยุิศีลบารมีข้อต่อมาเรียกว่าเนคขมมะบารมีคือการยุติการหาความสุขจากการเสพกามคุณทั้งห้าเรียกว่าคาว่าเนคข ม, มะนี่แปลว่าการออกจากกามการออกจากการเสพการมคุณห้าการมคุณห้าก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรส ผดทพะรู้สัมผ er. ัสที่มาสัมผัสกับร่างกายของเราเนี้เรียกว่าผดทพะเช่นความร้อนความเย็นความร้อนความเย็นของความแข็งความนุ่มนี้เรียกว่าผดทพะความเจ็บทางร่างกายหรือความสุขทางร่างกายนี้เรียกว่าผดทพะจะไม่หาความสุขจากการเสพรูปเสียงกินลดด้วยการไปถือศีลบวชกัน คือสินแปดขึ้นไปคือจะไม่หาความสุขจากการนุม่มนุ่มหลับนอนกับคู่ครองของตนไม่หาความสุขจากการดื่มรับประทานอาหารตามความอยากต่างๆถ้าจะดื่มอาหารดื่มหรือรับประทานอาหารก็ดื่มเพื่อรักษาร่างกายเหมือนรับประทานยามีเ ว, ามเวลาและมีปริมาณที่พอสมควรไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป เธอไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว ก, กินแค่ช่วงเช้าก็พอแล้วเช้าถึงเพลน ก, ก็พอที่จะเลี้ยงดูร่างกายได้ไม่หาความสุขจากการรับประทานหรือการดื่มอาหาดื่มลดดื่มเครื่องดื่มต่างๆรับประทานอาหารต่างๆไม่เสพความสุขของรสชาติของอาหารนั่นเองแล้วก็ไม่หาความสุขจากบอลหอมาหอหล่อศพบันเทิงต่างๆ ไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ไปตามไม่ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ไปงานเลี้ยงงานบันเทิงต่างๆแล้วก็ไม่เสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สดสีสดใสงดงามวิจิตพิสดารเสริมหน้าเสริมตาเสริมผ้าเสริมผมด้วยน้ําด้วยเครื่องสำอางด้วยน้ํามันน้ําหอมต่างๆเป็นต้น<ม>ผู้ที่ต้องการที่จะสร้างบารมี อันนี้ก็จําเป็นที่จะต้องละเว้นการเสพกามนั่นเองเพราะการเสพกามนี้เป็นการเสพความสุขที่ที่ต่ำมีความสุขที่เลกที่สูง ก, กว่าการเสพกามนั่นก็คือความเสพความสงบที่เกิดจากการทําจิตใจให้ให้สงบเป็นอุเบกขานั่นเองอันนี้การสร้างในิคัมมะบรารมีเพื่อไปสนับสนุน การสร้างอุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีก็คือเวลาที่เจริญสติควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ก็จะสามารถทำใจให้สงบนิ่งพอใจสงบนิ่งก็จะเกิดอุเบกขาขึ้นมาเกิดความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่พูุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่านัติสันติปรังสุ ข, ขังมี คือความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสุขของการมคุณทนี้ไม่สะไม่อยู่เหนือความสุขของความสุขที่ได้จากความสงบของการทำจิตใจให้สงบเป็นอุเบกขาขึ้นมาให้วางเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างได้อันนี้เป็นบารมีเป็นการสร้างเป็นการเปลี่ยนวิธีหาความสุขเพราะเป็นความสุขที่มั่นคงกว่า ความสุขที่ได้จากการเสม ร, รูปเสียงกิรลดโพธภิภพการบุคคลห้านี้เป็นความสุขที่มีโทษตามมาด้วยเป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดถึงแม้จะเป็นเหยื่อที่โอชะขนาดไหนก็ตามถ้าปลาที่ไม่ฉลาดไปฮุบเหยื่อนั้นแล้วก็จะต้องถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากอย่างแน่นอนแล้วตะขอเบ็ดนั้นก็จะดึงปลาขึ้นจากน้ํา จากน้ำในนจากแม่น้ำไปสู่น้ำในกระทะต่อไปน้ำในหม้อต่อไปคือต้องไปตายนั่นเองแต่ในผู้เสพกามนี้ก็จะต้องไปเจอกับความทุกข์ต่างๆ่างเพราะกามคุณท่านี้เป็นของไม่เที่ยงนั่นเองเป็นของที่มีเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเวลาได้เสพความเจริญของรูปเสียงกลิ่นรสก็จะเกิดความศพ ข, ขึ้นมา พอเวลารูปเสียงกิ่นล้นนั้นเสื่อมลงไปหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่เราต้องเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้คนฉลาดเมื่อเห็นโทษของกามคุณห้าแล้วก็จะเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการเสบกามคุณห้าไปเสบความสงบที่เกิดจากการบาเพ็ญจิตตภาวนาคือส ม, มะถะภาวนาทําจิตใจให้สงบด้วยการออก บวชเนคถือถือศีลเนคขมมะออกบวชเนี mm ่ hmm. ยญาติโยมที่มานุ่งขาวห่วมขาวเนี่ยที่ถือศีลแปดการ น, นี้เรียกว่าบวชเนคขมมะไม่ใช่บวชพรามณ์ mm hmm. แต่เรามักจะนิยมใช้คําว่าบวชพราหมณ์ mm hmm. แต่ความจริงเป็นการเจริญเนคขมมะบา ร, รมีเป็นการมาละเว้นการเสพกามาคุณห้าเพราะเห็นโทษของการเสพกามคุณห้ากัน คนส่วนใหญ่ที่มาบวชกันก็พราะมีความเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าได้สูญเสียความสุขทางกามาคุณห้ามีไปนั่นเองเช่นเสียบุคคลที่รักไปสามีตายไปภรรยาตายไปหรือทิ้งไปความสุขที่เคยได้รับจากสามีหรือภรรยาก็หมดไปทิ้งไว้ให้แต่ความเศร้าโศกเสียใจ<ม>ก็เลยเห็นพิษของกามาคุณห้าว่าเป็น เป็นอันตรายไม่ใช่เป็นความสุขเป็นความสุขแบบเป็นเหมือนกับดักดักให้ไปทุ ก, ท ก, กข์ถ้าไปติดกับการมาสุขถ้าไปติดกับการมาคุณห้าแล้วไม่ช้าก็แล้วก็จะต้องร้องห่มร้องไห้ต้องเศร้าโศกเสียใจเพราะการมาคุณห้านี้จะไม่เป็นเหมือนเดิมนั่นเองเป็นอ น, นิจจังจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปจะต้องมีการเส่อมมีการหมดไป เวลาเกิดการเสื่อมเกิดการหมดไปมันก็จะสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้ที่เสพกามนั่นเองคนที่ได้สัมผัสกับความทุกข์จากการเสพกามแล้วจึงคิดหนีออกจากกามกันด้วยการไปบวชในคัมภีร์กันแล้วก็ไปเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะก็ไปเสดความสุขที่ได้จากความสงบด้วยการไปฝึกสติเดินฝึกสติ คอควบคุมความคิดไม่ให้จิตใจคิดเรื่อยเปคอยหยุดความคิดอยู่เรื่อยๆด้วยการเจริญสติอย่างใดอย่างหนึ่งสตินี้ก็มีการวิธีเจริญได้หลากหลายวิธีบางท่านก็ใช้พระพุทธเจ้าเป็นที่เจริญสติเรียกว่าพุทธานุสติด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมคําว่าพุทโธพุทโธพุทโ ธ, ทธไปภายในใจตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็ต้องเริ่มเจริญสติเลย พอพอลืมตาขึ้นมาแล้วความคิดก็จะเริ่มคิดแล้วส่วนใหญ่มันจะคิดไปในทางกรร ม, มาคุณห้านั่นเองถ้าเราปล่อยให้มันคิดเดี๋ยวมันก็จะดึงให้เราไปเสพกรร ม, มาคุณห้ากันแล้วเมื่อเสพแล้วเดี๋ยวก็จะติดกรร ม, มาคุณห้าแล้วพอไม่ได้เสพก็จะเกิดทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้งนั้นตอนนี้ต้องพยายามหัดเลิกเสพกรร ม, มาคุณห้าด้วยการคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้ใจคิด ใจมันจะคิดไปหาการคุคคห้านั่นเองหาลากยศสารเสริญสุขกันด้วยการเจริญสติโดยอาศัยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึง่งเช่นอารมณ์พุทธคุณก็ได้เช่นพุทธานุสติเรียกว่าใช้พระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็บริกา ร, รพุทโธพุทโธไปหรือบางท่านก็อาจจะใช้ร่างกายเป็น ที่เจริญสติก็ได้กายยาขตาสติคือคอยเฝ้าดูร่างกายในทุกอิยาบทเลยร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับการกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนคนอื่นอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับการเพื่อนไว้กับการกระทำของร่างกายร่างกายเดินก็ต้องเดินไปกับร่างกายนั่งกายนั่ง่างกายยืนก็ยืนกับร่างกาย ร่างกายอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็ต้องอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันไปกับร่างกายร่างกายแต่งเนื้อแต่งตัวก็อยูย่กับการแต่งเนื้อแต่งตัวทุกเอเรียบทพอเวลาที่ร่างกายมานั่งเฉยๆก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกแทนเปลนเปลี่ยนการวิธีตั้งสติจากร่างกายมาที่อานาปนาสติมาที่ลมหายใจเข้าออกนั่นก็คือเวลาที่เรามานั่งสมาธิกันนั่นเอง พอเวลาเรามีไม่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางร่างกายไม่ต้องทำงานอะไรไม่ต้องเดินไม่ต้องทำอะไรเราก็มานั่งเฉยๆแล้วก็นั่งหลับตาแล้วก็มาดูลมหายใจที่เข้าออกที่ปลายจมูกดูที่ปลายจมูกมเรียกว่าอานาปานาสติอานาปานแปลว่าลมเข้าลมออกสติก็คือการระลึกรู้ของลมเข้าลมออกที่ปลายจมูก อย่าเคลื่อนที่จากการดูให้อยู่ที่จุดเดียวอยู่ที่ปลายจมูกเพราะเราต้องการให้ใจมันนิ่งถ้าเราเคลื่อนไปตามนมใจมันจะไม่นิ่งเราต้องอยู่ที่จุดเดียวอยู่ที่ปลายจมูกจุดที่ลมสัมผัสเข้าออกชัดเจนที่สุดจะแถวปลายจมูกหรือที่บริเวณเหนือลิมนฝีปากขึ้นมาก็ได้ให้ให้เฝ้าดูตรงนั้นให้ จดจ่ออยู่กับสัมผัสของลมที่เข้าออกตรงนั้นถ้าเราสามารถมีสติได้อย่างต่อเนื่องไม่เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตก็จะดิ่งเข้าสู่คางสงบได้รวมรวมลงเป็นหนึ่งได้สักแต่ว่ารู้ได้เหลือแต่สักแต่ว่ารู้ความคิดปรุงแต่งอะไรต่างๆหายไปหมดเหลือแต่ความรู้สึกว่าร่างกายก็หายไปด้วยเหลือแต่ผู้รู้อยู่ผู้เดียวสักแต่วรู้อยู่กับในขัมมะ คืออยู่กับความสงบนิ่งปราศจากอารมณ์รักชังกลัวหลงอันนี้แหละเป็นอุเบกขาบารมีที่จะเกิดทำไมเราต้องมีอุเบกขาบารมีเพราะอุเบกขาบาลมีนี่แหละจะเป็นผู้ที่ทำให้ใจเรามีพลังมีกำลังที่จะสู้กับกิเลสตัณหาสู้กับสิ่งที่มาเย้ยยวนต่างๆให้เราไปทำความเสียหายเดือดร้อนให้กับตัวเราและกับผู้นั่นเอง ถ้าเรามีเนตขมมะแล้วกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาจะไม่สามารถที่จะมาหลอกล่อให้เราไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเราและกับผู้ได้เลยมันจะไม่สามารถหลอกให้เราไปสร้างภพสร้างชาติต่อไปได้ถ้าเรามีอุเบกขาบาลมีเวลาที่มันจะมาหลอกเราถ้าเรารู้ว่ามันเป็นตัวมาหลอกเราก็จะไม่ทำตามมัน แต่ตอนที่เรามีเพียงแต่อุเบกขาบา ร, รมีอย่างเดียวนี้เรายังไม่รู้เรายังไม่รู้ว่าตัวที่มาหลอกมาล่อให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดตัวที่มาหลอกมาล่อให้เราไปทุกข์อยู่เรื่อยๆนี้ก็คือกิเลสตัณหานี่เราจะรู้ตัวนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราไปเจริญบา ร, รมีข้อที่หกก็คือปัญญาบา ร, รมีนี่ปัญญาบา ร, รมีเราก็ต้องเรียนรู้ศึกษาคนา้นคว้า ถ้าเรามีพระพุทธเจ้ามีพระหลังตรสาวกก็ไปเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าจากพระหลังตรสาวกได้เลยท่านก็จะบอกเราว่าสาเหตุที่ทำให้เรามาเรียนไหวตายเกิดกันมาทุกกับการแก่การเจ็บการตายมาทุกกับการกทาบาปต่างๆมาทุกกับการดิ้นรนต่อสู้แสวงหาความสุขต่างๆนี้มันออกมาจากความหลงความอยากนี้เท่านั้นเองความหลงก็คือการไม่เห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหากันในโลกนี้มันไม่ใช่เป็นกองสุขมันเป็นกองทุกสิ่งต่างๆที่เราหาไม่ว่าจะเป็นลาบยศการเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันล้วนเป็นความทุกข์ทางนั้นมันไม่ใช่เป็นความสุขทํามันเป็นถึงเป็นความทุกข์เพราะว่ามันเป็นความสุขแบบชั่วคราวมันมีวันหมดเวลามันหมดมันก็จะทําให้เราทุกข์นั่นเองและเราจะไม่สามารถไปบังคับให้มัน ไม่หมดไม่ได้<ม>เช่นเงินทองใช้ไปเดี๋ยวก็หมดมียศมีตำแหน่งเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็ปวด<ม>พอหมดเวลาเป็นเขาก็ปวดออกไปมันไม่ใช่ของที่เราไปควบคุมบังคับให้มันเป็นของถาวรไม่ได้มันเป็นของชั่วคราว<ม>พอเวลาที่มันเปลี่ยนไปมันหมดไปมันก็จะทำให้เราทุกได้<ม>อันนี้เราจะไม่รู้เองถ้าเรายังไม่เข้าถึงขั้นปัญญา ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระอนันตสาวกมาบอกเราก็ต้องไปค้ำทางเราเอง mm. เช่นพระพุทธเจ้าของเรานี้ตอนที่ทรงบำเพ็ญปฏิบัติก็ไม่มีใครรู้ว่าตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจตัวที่พาให้ใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชานี่เอง mm. เมื่อไม่มีใครรู้ไม่มีใครสอนได้พระองค์ก็เลยต้องค้นคว้าหาได้ด้วยพระองค์เอง ทดลองผิดถูกไปลองผิดลองถูกไปจนในที่สุดก็พบความจริงขึ้นมาพบอริยสัจสี่ขึ้นมาเพราะว่าวความทุกข์เกิดจากตัณหาความอยากทั้งสามกรารมาัณหาความอยากเสืการภาวะตัณหาความอยากเร่ร่อยอยากรวยอยากเจริญในาลาภยศสารเสริญสุขะวิภาวตัณหาความอยากไม่ให้าลาภยศสารเสวนสุขเสื่อมไปนี่เองเป็นเหตุที่พาให้ดวงวิญญาณ ดุงจิตดุจใจต้องมาเวียนว่าวตายเกิดต้องมาทุกกับความเจริญความเสื่อมของราบยศสารเสนุกนี่นี่ต้องเป็นคนที่มีบา ร, รมีมากอย่างพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญปัญญาบา ร, รมีมาอยู่อย่างต่อเ น, นื่องเป็นคนที่สนใจใฝ่รู้ใฝ่ศึกษามีวิชาความรู้อะไรที่ไม่รู้ก็พยายามนขนไข่หามามาเรียนรู้อยู่เรื่อยๆนั่นเองคนที่ชอบเรียนชอบรู้นั่นแหละถึงจะเป็นคนที่มีปัญญาได้ เป็นคนที่จะสามารถเข้าถึงอริยรรสัจสี่ได้เวลาที่ไปอยู่ในยุคที่ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีพระอรหันต์มาคอยสอนมาคอยบอกอริยสัจสี่ก็ต้องเป็นคนที่จะต้องคาทางหาความจริงอันนี้เองอย่างเจ้าชายสิทธัตถะหรือสมณะโคดมนี้ไม่มีใครรู้อริยสัจสี่ไม่มีใครรู้อ่านิจังทุกขังอนัตตามีลารต้องคำต้องคา ทางด้วยตนเองค้นคว้าหาด้วยตนเองจนในที่สุดก็ส่งค้นพบสัจธรรมความจริงอริยสัจสีและตายหลักที่ทำให้รู้ว่าตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างพาให้ดวงวิญญาณไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆก็คือกิเลสปัญหาความโนกความอยากต่างๆนี่เองพอรูพอ้พอรู้แล้วว่าตัวนี้เป็นตัวปัญหาพอมันโผล่ขึ้นมาก็ใช้อุบเบกขาหยุดมันเลย ถ้าไม่มีอุเบกขาก็จะหยุดมันไม่ได้คนที่ไม่ได้ฝึกสมาธิไม่น่านทำใจให้สงบเวลาเกิดความโลภขึ้นมาหยุดไม่ได้เวลาเกิดความโกรธขึ้นมาหยุดไม่ได้เวลาเกิดความเศร้าใจขึ้นมาหยุดไม่ได้เวลาเกิดความเสียใจขึ้นมาหยุดไม่ได้เพราะใจไม่มี อ, อุเบกขาแต่ถ้าได้ฝึกสมาธิจนใจมีอุเบกขาแล้วแล้วได้เจริญปัญญาแล้วรู้ว่าลวว่าตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจคือกิเลสตัณหา พอเกิดกิเลสตัณหาก็สามารถหยุดมันได้พอหยุดกิเลสตัณหาได้ความทุกข์ใจความเศร้าใจความเสียใจก็จะหายไป น, นี่คือปัญญาบา ร, รมีเป็นบา ร, รมีขั้นสุดท้ายคนเราจะฉลาดหรืองโง่ก็อยู่ที่ปัญญาบา ร, รมีนี่คนเราที่จะนิ่งหรือไม่จะสงบหรือไม่สงบนี่ก็อยู่ที่อุเบกขาบา ร, รมี คนเราที่จะไปบวชได้แล้วไม่บวชได้นี้ก็อยู่ที่เนขัมมะบารมีคนที่มีเนขัมมะบาลมีนี้จะจะไปบวชกันเป็นส่วนใหญ่เวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไปบวชกันเพราะว่าชอบชอบพราความสุขจากการทำใจให้สงบไม่เสพการนั่นเองคนที่ยังไปบวชไม่ได้ก็คือคนที่ยังไม่ได้เจริญเนขัมมะบาลมีนั่ น, นี่หละคือบารมีต่างๆ่า ศีลบรารมีก็จะทำให้เป็นคนดีหรือค น, อคนดีถ้าไม่มีศีลก็จะเป็นคนชั่วทานบรารมีก็จะทำให้เป็นคนรวยหรือเป็นคนจนถ้าทำทานก็จะมาเกิดแล้วก็จะมาร่ำมารวยถ้าเมตตาบรารมีก็จะทำให้เป็นคนที่มีความสุขอยู่กับใครก็มีความสุข เพราะไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนไม่ไม่ไปสร้างความทุกข์ให้กับใครมีแต่ให้ความสุขกับผู้นันความสุขนั้นจกลับมาเดินก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย เ, าเทวดาจะคุ้มครองรักษาจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือ ย, ยาพิษเวลาตายก็จะไม่หลงาตายด้วยความสงบเวลาจะทาสมาธิจิตก็จะสงบง่าย เวลาตายไปถ้ายังไปไม่ถึงนิพพานก็จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆนี่คืออนิสสงของการมีเมตตาบา ร, รมีเหตุที่จะพาให้เราสามารถสร้างบา ร, รมีเหล่านั้นก็คืออธิฐานบา ร, รมีเราต้องมีความตั้งใจ<ม>ว่าเราต้องรู้แล้วว่าเราเกิดมาเพื่อมาทำอะไรเราเกิดมาเพื่อมาสร้างบา ร, รมี ตั้งแต่วันนี้ไปถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อไปนี้จะสร้างบารมีทั้งหกนี้ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเมตตาบารมีก็ดีทานบารมีก็ดีศีลบารมีก็ดีเนคขมบารมีก็ดีโอเบขาบารมีก็ดีปัญญาบารมีก็ดีถ้ามีเวลามีโอกาสแล้วจะรีบทำทันทีอย่าไม่ให้ปล่อยให้มันผ่านไปถ้าจะทาจริงจังต้องมีความจริงใจมีสัจจะ ตั้งใจแล้วเมื่อถึงมีโอกาสแล้วต้องทําไม่ใช่ทําเป็นลืมทําเป็นเผลอต้องรู้ว่าตอนนี้เราควรจะทําทานแล้วอันนี้เราควรจะรักษาศีลแล้วต้องทําทันทีจะทําได้ไม่ได้ทําได้มากได้น้อยก็อยู่ที่วิริยะบาลมีความขยันหมั่นเพียรถ้ามีความขยันมากมีความเพียรมากมีความพยายามมากก็จะทําได้มาก ทำได้มากก็จะได้บารมีมากทำได้น้อยก็จะได้บารมีน้อยแล้วจะ ถ, ถ้าจะทำได้สำเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่ขันติบารมีว่ามีขันติมีความอดทนมากน้อยเพียงไรถ้ามีความอดทนน้อยพอไปเจอของยากขึ้นมาเจอความทุกข์ขึ้นมาก็า จ, จะยกธงขาวก็ได้ก็จะไม่สำเร็จทำไม่สำเร็จแต่ถ้ามีขันติบารมีแล้วก็จะสู้ไปจนวันตายสู้ไม่ถอย คนที่ยาวชนะกิเลสได้นี้ต้องเป็นคนที่มีขันติต้องต้องสู้ไม่ถอยเพราะนั้นถ้าถอยเมื่อไหร่ก็แสดงว่าแพ้กิเลสทันที yeah. Yeah. ตาปะตาโปที่ผแผดเผากิเลสไฟที่แผดเผากิเลสก็คือขันติบารมีนี่ต่อสู้กับกิเลสได้ต้องมีขันติความอดทนถ้าเรามีบารมีทั้งสีน่นี่คืออธิษฐานสัจจะวิริยะอุเบกขาแล้ว uh huh. การสร้างบา ร, รมีต่างๆนี้ก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายและสําเร็จอย่างแน่ น, นอนและผลก็คือชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญไปเรื่อยๆจนจ น, จนถึงพัฒนิพาน์ไปเป็นจุดสุดท้ายของเรานี่ก็คือเรื่องราวของความแตกต่างเหตุที่สร้างให้คนเรามีความแตกต่างกันก็คุณก็คือบุญบา ร, รมีสิบประการนี่เองถ้าเราอยากจะให้ ชีวิตของเราดีขึ้นไปมีความสุขมากขึ้นมีความเจริญมากขึ้นมีความฉลาดมากขึ้นมีความดีมากขึ้นมีความร่ำรวยมากขึ้น <S <S ก็ขอให้เรามาสร้างบารมีเหล่านี้กันเถิดแล้วจะรับประกันได้ว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน <S <S เพราะธรรมของพระเจ้าเป็นสวางขาโตพระกวตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วเป็นธรรมที่ถูกต้องกับความเป็นจริงทุกประการ การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจาขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเริวาหาปุราปรลิปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินัางเตตานางอุปกาปะปะติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะอาฬสยาทาเมณิโชติอาฬสยาทัสพีติโยวิวัชฌานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสะนิจจังวุฒาปจายินุ จะตาโรธัมมวทันติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไ น, นี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ ทาง Facebook 459 YouTube พระสุชาติไลฟ์391 y o u t u ด e อกเตอร์วีชานล51วิทยุออนไลน์10 c l ับ h ฮ u s e 7น้าคุติ142รวม 1,060 ค่ะนามามสิกานาอาจารย์ครับ ดวนเวลาผมอยู่ที่วาดโคนอาจันเดกผมใช้ไลฟ์ผ่านชั่วโมงทองอพระสุดในพระท้ายพิโดธที่เป็นภาษาอังกฤษและผมจำได้บรมทรงรยพระสุดแล้วก็ตัว น, นี้ไม่ค่อยมีเวลาเื่อ ด, ดูแลแล้วก็ลงทุนเยอะพระอาจารย์คิดว่าผมควาจะชายแบบ10บนาที20 ีนทีตละววนเพื่อดูแลรู้มันจะหายไปรู้ความจะดใช้เวลานามเพื่ อ, อโฟกัสในพุนฐานแค่แบบหนังสมาธิครับคือพระสรูนี่เราเรียนเท่าที่จำเป็นก็พอเรียนเรียนพระสูที่เราจำเป็นต้องเอ า, ามาใช้ในการปฏิบัติเช่นสติปัฏฐานสูต for ฟ o u เดชั่น n อ f mindfulness อันนี้ต้องทำให้ได้ทุกวันถ้าทําได้จะได้รู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ดังนั้นก็ค่อยๆเรียนไปเท่าที่ถึงเวลาของต้นการปฏิบัตินี้เราต้องการเรียนรู้วิธีเจริญสติเท่านั้นเองก็ให้รู้ว่าการเจริญสติก็ต้องมีร่างกายเฝ้าดูร่างกายตลอดเวลาร่างกายกําลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งก็ให้คอยเฝ้าอยู่ ทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาที่เราตื่นขึ้นมาไม่ให้ใจเราไปคิดเรื่องอืง่นแล้วเวลาเรานั่งเฉยๆล้วก็ดูล ม, มหายใจเข้าออกแทนมีสติอยู่กับลมหายใจทําแค่สองอย่างนี้ให้ได้ก่อนนะบางทีใช้เวลาเป็นปีก่อนจะได้ไม่ต้องไปเรียนมากไปกว่า น, นี้แล้วเสียเวลาไปกว่าไม่ต้องไปท่องวัสดุอย่างอื่นเพ่เสียเวลา อยนี้สมัยนี้มีหนังสือเก็บไว้อยากจะเรียนรู้เมื่อไหร่ก็เอามาอ่านทีหลังก็ได้แต่ที่เราต้องการมากก็คือการเจลการปฏิบัติสติมากกว่าออสตินี้เป็นเหมือนกุญแจรถยนต์่ะถ้าคุณหากุญแจรถยนต์ไม่เจอคนก็ขับรถไปไหนไม่ได้ใช่ไหมเราจะขับรถให้กุญแจอยู่ไหนวะเดินค้นหาทั้งวันหาไม่เจอกุญแ จ, จก็ขับรถไม่ได้า ก, การปฏิบัติจะไปนิพพานก็ต้องมีสติพาไป ถ้าไม่มีสติก็ปฏิบัติไปจนวันตายก็ไปไม่ถึงนิพพานคเอ็นมาฝึกสติคําเดียวเนี่ยสตินั้นสําคัญว่ากรู้เท่า น, นี้ก็พอรู้วิธีปฏิบัติสติว่าปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติเท่าไหร่ต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าใจเรามันมันทะเลทลายตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอเราตื่นขึ้นมาก็ใจก็ไปเที่ยวแล้ว ไปคิดถ mm. right. ึงเรื like do, do ่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วแล้วก็แบอาเรื่องเข้ามาสร้างความทุกข์ให้กับเราเราต้องคอยหยุดนด้วยสติคอยเฝ้าดูถ้าเราดูร่างกายมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้เข้าใจไหมครับใชครับขอบคุณมากค่ะ o n o worry Send you the microphone. Uh, I will, I not prepared on e i m Maybe I'll come back to me next time. No question. Okay. Alright. t um. h <laughs> i n e a k e t o Okay. มีคาถาม2คําถามที่เกี่ยวเนื่องกันค่ะพระอาจารย์ คุณยี่สิบสี่ถามว่าถ้าพุทธศาสนาในยุค ข, ของพระพุทธเจ้าของเรามียุราวห้าพันปีช่วงสิ้นศาสนาก่อนจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่มนุษย์เราสามารถศึกษาเรียนรู้จากหนังสือหรือสื่อออนไลน์ที่ครูอาจารย์ถ่ายทอดไว้เป็นไปได้หรือไม่ไมคำถามค่<ข>แล้วก็เขอ า, าอาจพระจะอธิบายในเรื่องสุญญกัดอธิทายเรื่องนี้นีจำไม่ได้ เรื่องห้าพันปีนั้นเราไม่ต้องไปกังวล่ะเราอยู่ไม่ไ ม, ไม่ถึงตอนนั้นะเอากังวลแค่ตอนนี้เราศึกษากันรูน้ไม่ศึกษาก็พอข น, นันมีคําสอนยังไม่สนใจที่จะศึกษากันเลยแล้วจะไปกังวลกับเวลาไม่มีคําสอนทำไมเอาแค่ตอนนี้ก่อนเนยเราอยู่กับปัจจุบันอนาคตจะรู้ไว้เฉยๆก็พอไม่ต้องไปแบกมันไม่ต้องไปกังวลให้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ให้เรารีบทําในตอนปัจจุบันนี้เถิดเพราะว่า ตานปัจจุบันนี้เป็นเวลาที่เราทําอะไรได้แต่นอนาคตนี้เราไม่รู้เราจะเราจะไปอยู่ที่ไหนนะังนั้นตอนนี้เรามีพระธรรมคําสอนของพระเจ้าเรารีบตักสรวงประโยชน์เลยโบราณเขาบอกว่าน้ําขึ้นให้รีบตักเพรเดี๋ยวน้ลลําลดแล้วจะไม่มีน้ําให้ตักดังั้นตอนนี้มีธรรมะคําสอนรีบศึกษารีบปฏิบัติกันไม่ต้องไปนั่งคิดว่าอีกห้าปีข้างหน้าจะเป็นห้าพันปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเสียเวลาเปล่า ขอคําอธิบายเรื่องสุญยากับค่ะอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันสุนญากับไม่ต้องรู้หรอกรู้ว่ากิเลส ต, ตายแล้วไม่ตายก็พอนี่กิเลสศูญแล้วไม่สูญก็พอเราปฏิบัติก็ให้กิเลสเปนศูนย์ะมาให้มีความโลภโกรธร้องมันหมดสูญหายไปจากใจเราเท่านั้นก็พอ คำถามจากคุณสมพรค่ะสอบถามเรื่องเห็นกายในกายครับมีลักษณะเป็นอย่างไรครับเอาเห็นกายในกายก็คือให้เราศึกษาธรรมชาติของร่างกายว่าร่างกายนี้มีอะไรบ้างร่างกายมีแค่ผมขนเล็บฟันหนังหรือหรือมีมากกว่านั้นใต้ผิวหนังมีอะไรหรือเปล่าใต้ผิวหนังก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีตับมีหัวใจมีปอด มีพังผืดมีลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่ในสมองศีรษะแล้วก็น้ําต่างๆน้ําดีน้ำทะเลน้ําเหลืองน้ําเลือดน้ําเหนือน้ํามันข้นน้ําตาน้ํามันเหลวน้ําลายน้ํามูกน้ําไขข้อเนี่ยเกิดมารู้จักตัวเรารู้จักร่างกายเรารู้เปล่าว่ามันมีอะไรบ้างอาการสาขีสองนี่ก็คือส่วนประกอบของร่างกายแล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยง มันจะเป็นอย่างนี้ทุกวันหรือเปล่าแล้วมันค่อยๆเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนมาตั้งแต่วันเกิดไม่ใช่เหรอเมื่เราจากท้องแม่มันก็เป็นเด็กทารกแล้วเดี๋ยววันนี้มันเป็นอะไรมันเป็นผู้ใหญ่ฮะเดี๋ยววันข้างหน้าจะเป็นอะไรก็เป็นผู้ตายนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่คือต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วมันเป็นตัวเราหรือเปล่าแล้วเราเป็นร่างกายหรือเปล่าเราถอดอาการ 3.2 แยกออกมาเนี่ยแล้วมีมีเราอยู่โดยตรงไหนบ้าง เราอยู่ในผมหรือเปล่าอยู่ในขนหรือเปล่าไม่มีเราเราไปตู่เฉยๆว่าร่างกายนี้เป็นเราศึกษาเพื่อให้เข้าใจว่าร่างกายไม่ใช่เราเราไม่ใช่ร่างกายเราเป็นใช้เป็นคนใช้ร่างกายเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆเราเป็นผู้รู้ผู้คิดที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเป็นมนุษย์ล่างขนผู้มาผู้มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเป็นอวตารเขาเรียกอวตาร เราเป็นเราเป็นสิ่งที่ไม่ตายต่อไปกับร่างกายให้เขา้าใจอย่างนี้เราจะได้ไม่มาทุกข์กับร่างกายเวลาหมอบอกเป็นมาเรณ์ขั้นสุดท้ายจะได้ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจเรืว่าหวาดกลัวเพราะเราไม่ได้เป็นมะเรณ์ขั้นสุดท้ายผู้ที่เป็นมะเรณ์ขั้นสุดท้ายก็คือร่างกายซึ่งเขาไม่หวาดกลัวเลยเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาจะเป็นจะตายไงเขาไม่รู้ก็เหมือนโทรศัพท์มือถือมันรู้หรือเป่ามันเปโทรศัพท์มือถือไม่รู้หรอก คนใช้มือถือะรู้ว่าเป็นมือถื อ, อแต่ตัวมือถือเองเสียแล้วไม่เสียมันไม่รู้ร่างกายมันจะเป็นอะไรมันไม่รู้มันเป็นอะไรมันไม่กลัวตายมันไม่กลัวเจ็บมันไม่กลัวโรคภัยค่้เจ็บต่างต่แต่ใจที่ไม่ได้เป็นใจกับร่างกายกลับไปกลัวแทนมันทําไมก็เพราะมันหลงไม่ศึกษาเนี่ยเที่มาให้เห็นกายในกายก็เห็นอย่างนี้หเห็นว่ากายในกายนี้ไม่มีเราผู้ที่มาเห็นกายในกายไม่มีเรา ไม่ใช่เราไม่ใช่น่าร่างกายเป็นผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเองที่ไม่มีวันตายคาถามจากคุณสุกัญญาค่ะเราจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าเทวดาปกปักรักษาเรานั่งสมาธินี่นั่งสมาธิทาเจริญเมตตาแล้วเราจะรู้เองเวลาเกิดภัยอะไรขึ้นมาแล้วรอดภัยขึ้นมาเราได้รู้ว่ามีเทวดามาคุ้มครองรักษาเรา คำถามจากุลการชตาค่ะในกรณีที่บางคนเกิดมาในตระกูลที่มั่งมีแต่ไม่รักษาไม่สามารถรักษาทรัพย์ไว้ได้เพื่อให้มีปัญญารักษาทรัพย์ที่สร้างไว้ได้ด้วยเราควรอธิษฐานหรือตั้งใจสั่งสมปัญญาไปด้วยใช่หรือไม่คะก็สั่งสมทั้งสิบบาลมีนะ่ยไม่ใช่ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเนอะทั้งทั้งสิบอย่างละถึงเวลาต้องเจริญเมตตาก็เมตตาถึงเวลาต้องทำทานก็ทําทาน เป็นเวลารักษาเสียก็รักษาสียงไม่ใช่แบบเลือกเอาเมนูเอาอะอย่างนี้อย่างนี้ไม่เอามไม่ได้พยายามสร้างไ้ให้มันครบสิบบาลนี้ <c oughs> แล้วทุกอย่างมันได้สมบูรณ์ คำถามข้อที่สองจากท่านเดียวกันค่ะการตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้มีปัญญารักษาทรัพย์และใช้ทรัพย์เพื่อการสร้างบา ร, รมีและดุดพ้นได้ในที่สุดไม่ถือเป็นกิเลสใช่หรือไม่เจ้าคะปอล อ, อธิษฐานคือการตั้งเป้านั่นคือเราตั้งเป้าเป็นคนรวยที่ใจบุญใช่ไหมคะต้องตั้งเป้าที่การทาทานถ้าอยากจะรวยก็ต้องทําทานเถอะ ย, ย่าตันีย่าหวงทรัพย์สมบัติเข้าของหนึ่งทองไม่ใช่มาตั้งเป้ามาตันดีมาเป็นปู่สูงเข้าทรัพย์ไม่ใช่ นรวยรวยเขาให้ไม่ใช่รวยเขาหวงยิ่งหวงยิ่งจนเพราะชาติหน้าจะไม่มีอะไรมารอรับแล้วมีรอให้เราหวงทรัพย์ในชาตินี้ตายไปชาติหน้าก็จะไม่มีทรัพย์รอเรอยู่ถ้าไม่หวงมีเท่าไหร่ให้หมด <Yeah. S 1> ก็จะมันจะรออยู่ข้างหน้าทั้งหมดนะ ย, ยังไม่ต้องกลัวหมดถ้าหมดถ้าทรัพยหมดด้วยการทำบุญทำทานนี้ไม่ถือว่าหมดถือว่าเป็นการโยกย้ายจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าเท่านั้น คำถามจากคุณ24ค่ะมนุษย์เราจะมีชาติสุดท้ายด้วยกันทุกคนหรือไม่คะถ้าปฏิบัติได้ก็ก็มีชาติสุดท้ายกันทุกคนปฏิบัติทำได้มนุษย์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระหลานได้ก็เป็นชาติสุดท้ายได้กันทุกคนอยู่ที่การปฏิบัติ คำถามจากคุณพานิดาฝึกภาวนาพุโทโธแต่ยิ่งฝึกยิ่งเห็นความคิดต่อเรื่องต่างๆมากเช่นเห็นความเห็นแก่ตัวความหงุดหงิดความน้อยใจเสียใจบ่อยขึ้นไม่พบความสงบเลยกราบขอความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยชี้แนะค่ะก็ไม่อยู่กับพุโทโธเนี่ยไปอยู่กับเรื่องต่างๆมันก็ไม่สงบซ์อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวเรื่องต่างๆมันจะมาปรากฏให้เห็นก็อย่าไปสนใจกลับมาที่พุโทโธอยู่อย่างเดียว พอเรื่องอะไรโผ่เกิดขึ้นมาก็ตามรู้ไปตามรู้ไปมันก็ไม่สงบถ้าจะสงบต้องไม่สนใจกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราจเจริญพุโทโธพุโทโธคำถามจากคุณประสานผมเป็นสิทธิสานักหนึ่งถูกสั่งสอนมาว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตายแล้วสู่ธรรมชาติไม่ได้ไปสวรรค์หรือนรกเพราะสวรรค์และนรกไม่มีอยู่จริงถูกต้องหรือไม่ครับ ถ้าเขาพูดถึงนั่งกายก็จริงอ่ะนั่งกายตายไปก็ไม่ได้งกายไม่ได้เป็นผู้ไปสวรรค์หรือไปนรกเพรที่ไปสวรรค์นรกก็คือใจที่เป็นดวงวิญญาณที่มองไม่เห็นนี่เขามองไม่เห็นตัวนี้เขาก็เลยคิดว่าตายแล้วสูงที่ว่าร่างกายเป็นผู้ผู้จะที่จะไปสวรรค์หรือไปนรกแต่เมื่อร่างกายตายกลายเป็นดินไปมันก็ไปไม่ได้ไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกอย่างนี้เขาเรียกมิจฉาทิฏฐิตามหลักของพระพุทธศาสนาเป็นความเห็นที่ผิด First of all, where are you from? I'm from England. Okay. Go ahead. So, um, yeah, I've been practicing meditating for about ten uh, years now, and uh, last year I felt that I was very close to uh, deciding to become a monk. And uh, I didn't undo it, and I continued. I've continued practicing. And my practice has, has deepened, but um, I sometimes wonder whether, for the time that I am not a monk and I'm in this secular world, is it like, is it, is this all just a, a game that I'm playing, and that really the only uh, real way to. Uh, to embody the um, Buddhist teachings is to become a monk and to give up these games and this game that I'm the games that I play in the world. Are they, um, you know, sometimes they may seem fun or enjoyable, but is this all? Is it all just dukkha? And I should just let go of it all. Yes, you should let go of everything in this world because everything in this world is not real. And it doesn't bring you true happiness. It will end up in suffering, in sadness sooner or later. So give up everything and concentrate on your meditation practice. What you get from your meditation is the real happiness. Okay, d d it? Can you hear me? Is that all? Okay. The reason why people be became m o n g because they want to, what well, they want to have real happiness, eternal happiness, permanent happiness. That doesn't end in suffering or sadness. That's what you get from meditation practice. Two level, concentration meditation and insight meditation. You need both. In order to produce this eternal happiness within yourself. Once you get that, then you don't want, you don't need anything anymore. You can exist without having anything. Okay. d o m e o u h a h e a n y I u e s t I o n s y e s t o e b s e I h e n o I d e I h e n o I d e d o y o u s t I h e n o I d e ถึงจิตได้เอเ น, นี้ให้มันจบปริญญาตรีก่อนแล้วไปไ ป, ปริญญาโทต่ออย่าข้ามขั้นยังไปไม่ได้เจ้าค่ะมีคนถามอยกข้างหลังหนูอยากสอบถามอะค่ะคุณพ่อหนูเพิ่งเสียอย่างนี้นค่ะแล้วหนูเข้าใจว่าว่ากาย จิตแยกจะกลายไปแล้วเงี้ยค่ะแล้วหนูอยากคือ่าจิตของพ่ออะค่ะที่ที่ที่ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนพวกครอบครัวแล้วก็ลูกหลานทําบุญไปให้อย่างเงี้ยค่ะพ่อจะยังได้รับไหมคะก็อยู่ที่ว่าพ่อขาดบุญก็ไม่ขาดบุญเนี่ยถ้าพ่อมีบุญพอก็ไม่มารับไม่จําเป็นต้องมารับเพราะว่ามีบุญพอเหมือนคนไปเที่ยวต่างประเทศถ้ามีเงินพอเที่ยวเขาก็ไม่ต้องมาขอเงินทางบ้านเที่ยวนะแต่ถ้าเงินขาดเงินหายก็อาจจะ ส่งข่าวเราบอกช่วยส่งเงินไปให้หน่อยจะมีการส่งข่าวใช่ไหมจ๊ะค่ะเขามาเข้าฝันเข้ามาเข้าฝันค่ะแต่ถ้าไม่ไม่เคยฝันหรือไม่เคยอะไรเลยก็จะนั่งเข้าไปแล้วเขาพอแล้วเขาไม่เดือดร้อนแล้วไม่ต้องกังวลขอบคุณค่ะแต่ถ้าเข้ามาเข้าฝันแล้วบอกเขาสบายก็โอเคเาแสดงว่าเขาเอาไม่ต้องเป็นห่วงเขานะเขาสบายแล้วก็ได้ไม่ได้หมายว่าเข้าฝันทีไรจะต้องมาขอขอบุญทุกทุกครั้งไป รรคำถามจากคุณมาร์กี้ค่ะการท่องอาการสามสิบสองกับการทำสมาธิควรใช้ทำสลับกันใช่ไหมครับใช่อันนึงเป็นปัญญาอีกอั น, นเป็นปัญญามันก็ได้ความรู้สมาธิก็ได้ความสงบแต่มันต้องการทั้งสองอย่างต้องการความสงบต้องการโมเบคา ก็ที่จะได้ใช้ปัญญามาฆ่ากิเลสได้ต้องทําสลับกันไปค่ะคาถามจากคุณเล็กค่ะหากเราทําพิณายกรรมยกที่ทางให้ลูกเราจะได้บุญไหมเจ้าคะยังหรอกเพราะยังยังไม่ได้ให้เป็งเพียงเจตนาถ้าอยากจะได้บุญต้องให้เขาตอนที่เรายังไม่ตายโอนไปเลยจบเราจะสบายใจหมดห่วงตายแบบหายห่วงไม่ตายแล้วก็กงังวลว่าใครจะได้หรือเปล่าไม่รู <laughs> คำถามจากคุณเอกชัยค่ะขันห้าเกิดมาจากอะไรครับแล้วเราอยู่ตรงไหนของขันห้าเราจะปล่อยวางขันห้าได้อย่างไรแล้วการที่ไม่ให้ขันห้าเกิดขึ้นเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรครับขันห้ามันมาสองส่วนมาจากร่างกายส่วนหนึ่งยกูปประขันนะแล้วอีกส่วนหนึ่งมาจากใจคือเวทนาสัญญาสังขารเิญญานี่เป็นความสามารถของใจใจนี้สามารถมีความรู้สึกนึกคิดได้ สามารถรับรูปเสียงกลิ่นรสจากร่างกายได้เมื่อร่างกายกับใจมารวมกันมันก็เลยเป็นขันห้าขึ้นมา mm hmm. ขันห้าไม่ใช่เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาก็คือกิเลสที่มาอยากมีขันห้า mm hmm. อยากจะใช้ขันห้าเป็นเครื่องมือหาความสุข mm hmm. เพราะว่าขันห้ามันเป็นของชั่วคราวร่างกายเป็นของชั่วคราวเวลาน่่งกายตายไปก็ไม่สามารถหาความสุขจากร่างกายได้ก็จะเศร้าโศกเสียใจกัน mm hmm. เพานถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องตัดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขไปบวชเลิ ก, เลกหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วมือไปหาความสุขจากคำการทําใจให้สงบเพราะการทําใจให้สงบไม่ต้องใช้ร่างกายใช้ใจ ค่ะคำถามอีกคำถามนึงจากคุณเอกชัยค่ะคำว่าจิตหลุดพ้นคือจิตมีสภาวะเป็นอย่างไรครับแล้วจะเรามีวิธีปฏิบัติตนอย่างไรให้จิตหลุดพ้นครับก็เหมือนคนหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บหลุดพ้นก็หลุดพน้ดพนจากความเจ็บไข้ได้ป่วยของจิตก็คือความทุกข์ต่างๆนั่นเองความทุกข์ใจไม่สบายใจความกังวลใจความอะไรเสียใจนั่จะหายไปหมดก็แสดงว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจ คำถามจากคุณนรินโชธทำไมเทวดาไปเสวยบุญอยู่ในชั้นเทวภูมิแล้วไม่สามารถบำเพ็ญเพียรต่อไปเพื่อไปถึงขั้นพานิพานได้แต่เมื่อหมดบุญแล้วถึงต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ครับเพราะมั น, เ ป, นเป็นที่ไปรับผลบุญเหมือนกับเวลาที่เราทำงานหนักอยู่บนโลกนี้สิ้นปีเขาให้บุญัเราให้เราไปเที่ยวต่างประเทศเราไปทำงานต่างประเทศแล้วแบบเ ร, เ, รเราไปเที่ยวไม่ไปทำใช่หถึงเวลาเที่ยวก็เที่ยว เที่ยวจกนกระทั่งเงินหมดก็ค่อยกลับมาทํางานใหม่อันนี้ก็เหมือนกันตอนที่เราอยู่ในโลกนี้เรากำลังทํางานกันทําบุญกันพอตายไปเราก็ไปรับผลบุญในสวรรค์กันเพราะช่วงนั้นเราทำอะไรไม่ได้ไม่มีร่างกายจะไปทําอะไรไปทําอะไรได้ก็ต้องมีร่างกายก่อนก็เลยไปเที่ยวก่อนทเที่ยวจกนกระทั่งบุญหมดก็กลับมาเกิดใหม่แล้วมาทําบุญใหม่ต่ออีกรอบคําถามจากคุณเจษดาพรณ์ค่ะเวลาเราปฏิบัติธรรมทั้งวันแล้วยังรู้สึกเบือ่อ เราควรทําอย่างไรให้มีความเพียรคะจิตยังไม่สงบต้องพยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆถ้าจิตสงบแล้วจะไม่มีความเบืจะมีความสุข ก, กับกกับารปฏิบัติจะไม่อยากจะทําอะไรอย่างอื่นนอกจากการปฏิบัติอย่างเดียวถ้าจิตสงบแล้ว คำถามจากคุณยีค่ะหากทาบุญทําทานโดยไม่เต็มใจแต่ก็ทําเพราะต่อสู้กับกิเลสภายในเพื่อที่จะลดความตระหนีตามหลักพระพุทธศาสนาแบบนี้ได้บุญจากการทําทานไหมคะก็ได้ได้บุญจากการชนะกิเลสความตะหนีความหวงความโลภแต่ไม่ได้ไม่ได้รับบุญจากการ ม, มีความเมตตายังไม่ได้ทําด้วยความเมตตาถ้าทําเมตตาก็จะได้ความสุขใจขึ้นมาอยากให้เขามีความสุขเลยให้เขาไป ได้สองอย่างถ้าทําด้วยความเมตตาก็ได้ทั้งชนะความตเหนอด้วยได้ทั้งความเมตตาด้วยแต่ถ้าทําเฉพาะเอาชนะความตเหน่แต่ยังไม่มีความเมตตายังไม่อยากให้ใครมีความสุขอยากการให้ของเราให้เพราะความจําใจถูกบังคับให้ให้่เต้นก็ยังจะไม่ได้บุญมากเท่ากับการที่ทําด้วยความยินดีความที่อยากจะให้คนอื่นเขามีความสุข คำถามจากคุณโสภาชาค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเดินมกกกัคมาถูกต้องแล้วคะก็เรามีสติหรือเปล่าถ้ามีสติแล้วก็เดินมัคถูกเรามีศีลหรือเปล่านรักษาศีลห้าได้หรือเปล่าเราละอบายมุขได้หรือเปล่ า, เร า, ล า, า, เ, ลาเรามีสมาชิโรมีอาชีพสมาอาชีพหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นมกกัคเพราะฉะนั้นคำถามจากคุณวิรัติค่ะอาสวากิเลคืออะไรเหรอครับ ก็กเเีเลศด้วยละโลกอดหลงมันมีหลายชื่อด้วยกันแต่ก็ตัวเดียวกันคำถามหมดเจ้าค่ะโอเคคาถามหมดก็เวลาก็พอสมควรก็ขอให้ท่านจงนาเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด